พุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึงขณะจะตายว่าให้ดูอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดระหว่างกายเวทนาจิตธรรและผลในการพิจารณาในสิ่งนั้นๆมีประการใดบ้างเหตุผลในการพิจารณาในสิ่งนั้นๆมีประการใดบ้างไมถึงต้องพิจารณากายเวทนาหรือจิตเวทาอืม ผลของการพิจารณาการวินาจิตธรรมเนี่ยก็คือจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยเข้าเข้าถึงวิวมุติหรือลิขการ์พองจะเรียกว่าที่ที่ควรเที่ยวไปในวิสัยของบิดาตนเองเที่ยวไปก็เตือนพวกเราว่าอย่าเที่ยวไปในที่ที่บิดาตนเอง ไม่ได้เที่ยวไปมารผู้มีบาปจะทำอันตรายได้มารคือความตายต้องเี็บไว้หลายอย่างเี็บเหมือนลิงติดตังก็มี ลิงที่เที่ยวไปในป่าหมพ า, านลิงได้เป็นชาติลิงโลเลชาติลิงโง่ก็เวลาเจอตังเหนียวเนี่ยมันจะไม่หลีกแต่จะลังเลใจแล้วมันจะไปจับพอมันเอามือจับปั๊กมันก็ติดมันจะอามืออีกข้างหนึ่งปลดอีกมือก็ติดมันจะ เ, เท้ายันเท้าก็ติดมันเอาริา้งข้างยันมันก็ติด โมโหเอาปากกับปากก็กกติดติดหมดเลยในพลานมาก็แทงลิงด้วยหอกแล้วก็เด็กไปตามปรารถนาเด็กเหมือนเต่าเที่ยวไปในที่ที่ไม่ควรเที่ยวไปก็โดนฉวดของชาวประมงตักติดกระดองมาพอมันคลานกลับมาในหมู่พวกมันหมู่พวกมันก็บอกเนี่ย เจ้าต้องเที่ยวไปในที่ที่ดีดาไม่ให้เที่ยวไปแน่นอนอระมาเหมือนลบมูลไถ่เหมือนกันไปเที่ยวในที่ที่ไม่เหมาะสมก็ถูกเหี่ยวจับไปกินก็เจอบำมาไว้เยอะอที่ที่ควรเที่ยวไปทั้งสี่ที่นี้คือการเวทนาจิตธรรมก็คือ อย่างกายเวทนาจิตเนี่ยจะทําให้โยมมีอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นเพื่อให้เห็นการเกิดการดับเพื่อให้เข้าใจอ น, นัตตาถอนความคิดมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวเราของเราส่วนตัวธรรมเนี่ยก็มีอารมณ์อันเดียวแต่มีอารมณ์อันเดียวในการเข้าไปเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสนับคืน ต้องเห็นการแปลเปลี่ยนการเกิดการดับมีอารมณ์เดียวอยู่กับกับการจดจ่อยอย่างนี้นะ <c oughs> สติปัฏฐานสเนี่ยพนะริองจึงบอกว่าเป็นที่ที่คนเที่ยวไปเป็นฐานที่ตั้งของการละลึกได้เราละลึกได้กลับมาที่ไหนที่กายที่เวทนาเวทนาก็ ให้ดูให้อยู่กับผู้เบิกขาอย่าไปอยู่กับสุขหรือทุกข์สุขมาทุกมารีบทิง้งรีดวางดึง ก, กลับมาอยู่กับจิตก็คือผู้รู้เฉยๆให้รู้จักจิตตสังผาสการปรุงแต่งของจิตแล้วทําจิตตสังผาสนี้ให้หลังงับแล้วให้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิต ทำจิตให้ปลาโม่ทำจิตใ ห, ตตใหต้ตั้งมั่นแล้วทำจิตให้ปล่อยเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็ให้ปล่อยวางความตั้งมั่นอย่าไปเป็นความตั้งมั่นเสเองให้เห็นว่าเป็นเพียงวิญญาณขันเนี่ยมาเกาะ อ, อยู่กับอารมณ์อันนึ่เท่านั้นให้เห็นว่าวิญญาณก็ไม่ใช่เรา มีสติะระลึกรู้อยู่กับธรรมก็คือเห็นความไม่เที่ยงจางภลายดับไม่เหลือสลักคืนอันนี้ก็คือสี่อาการของสติปัฏฐานสี่ที่พูะเจ้าให้เราเนี่ยตั้งอาศัยอยู่ตรงนี้แล้วก็ผลของมันเนี่ยจะเป็นไปเพื่อความไม่ตายและจะเป็น มักวิธีที่ผู้เจ้าเนี่ยปรักานเรื่องเวลาไว้ด้วยนะว่าถ้าทำได้เป็นอย่างดีเนี่ยก็สามารถหลุดพ้นได้ภายในวันหนึ่งกับินหนึ่งไล่ไปจนกระทั่งถึงเจ็ดป <c oughs> ีส่วนการวางจิตที่พระองค์สอน เวลาที่เราใกล้จะเสียชีวิตก็มีให้วางจิตในสติปัฏฐานสีนี่แหละพระองค์บอกว่าพิสุจทั้งหลายพิสุจทั้งหลายจงมีสติและสัมญปญัชญะรอคอยการทำกาละนี่ต้องสติปัฏฐานสี่และพระองค์ก็อธิบายว่า ที่บอกว่าให้มีสติสัมปทัญญะเมื่อเราปล่อยการตายเนี่ยทำอย่างไรก็คือสอนสติปัฏฐาน4ี่เลยอีกอันที่พระองค์บอกบ่อยก็คือในสติปัฏฐาน4เนี่ยกายยานุปัสนาสติปัฏฐานหรือการเห็นกายในกายเนี่ยอันนี้จะพูดค่อนข้างบ่อยมาก จะมีอันที่ระงบอกว่ากายยกตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมะตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมนะถ้าโยมไม่ลืมมอาจิตยอยู่กับกายก็ชื่อว่าไม่ลืมอมะตะจริงยังมีอีกอุประมาณหนึ่งที่เปรียบเหมือนบุรุษถือหม้อน้ํามันนะว่า มีหญิงงานในชนบทเนี่ยกำลังขับร้องค้อนหลังข่าวนี้ก็แพร่สะพั k ไปชายหนุ่มทั้งหลายก็เดินทางมาดูมีชายหนุ่มคนหนึ่งรักสุดเกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายก็เดินทางมาดูกับเขาด้วยขณะที่เดินทางมาเนี่ยผู้พระเจ้าก็อบอกว่า <c oughs> ให้เขาถือหม้อน้ำมันที่ที่มีน้ำมันเต็มเปรี่ยมปากหม้อใบหนึ่ง นะมีน้ำมันเต็มเปี่ยมและมีบุรุษอีกคนหนึ่งเดินตามเข้ามาข้างหลังถือดาบที่คมมาด้วยแล้วก็บอกว่าถ้าบุรุษคนเนี้ทำน้ำมันหกแม้เพียงหนึ่งหยดเขาจะเอามีดดาบปันคอให้ขาดุูเจ้าถามว่าบุรุษคนนี้เมื่อเดินประคองหม้อน้ำมันมาเนี่ยผ่านหญิงงามที่กำลังขับร้องค้อนรำเนี่ย จะสนใจหญิงงามหรือว่าสนใจหมอ้อน้ํามันสาวก็ต่อว่าสนใจหมอ้อน้ํามันเพราะว่าถ้าหกหยดเดียวคอก็จะขาดออกจากป่าจันทีพระเจ้าบอกฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยพระองค์เปรียบหมอ้อน้ํามันด้วยกายยะคตาสติเธอต้องเอาจิตตั้งอยู่กับกายนถ้าดูประมาณ น, นี้โอ้โหกายยะคตาสติมันสําคัญมาก จิตหลุดจากกายแท้เท่ากับตาย ท, าทันทีและจริงๆแล้วถ้าจิตวิญญาณขันมันออกจากกายจริงๆแล้วมันก็ตายจริงๆเพียงแต่มันกลับเข้ามาใหม่แค่นั้นเพราะ ข, ขนาดที่มันออกจากกายไปปั๊บมันไปคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแม้นิดเดียวนั่นคือมันสร้างการเกิดใหม่แล้วและถ้ากายเราตายไปในขนาดนั้น อัตภาพเราก็คืออัตภาพที่วิญญาณขันไปเกาะอารมณ์นั้นนั่นเองนั้นผู้เจ้าอุปมาจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันเหมือนตามความเป็นจริงทั้งหมดเลยเพียงแต่จิตมันวนไปวนมายอยู่ในสี่ภาคเนี่ยนั้นถ้ามันไม่กลับมาก็ตายจะเหมือนกับที่อผู้เจ้าบอกกับพระนริว่าถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่พันธ์อย่างมันดา นามรูปจกปักคุมตัวต่อได้หรือไม่ถ้ามันก็บอกไม่ได้หรือว่าเมื่อวิญญาณก้าวลงสู่คันหนึ่งมารดาแล้วจกแตกสลายลงนามรูปก็คุมตัวต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นนามรูปในส่วนของกายที่เป็นกรรมฐานถ้าไม่มีวิญญาณมากลองเนี่ยตายแน่นอนเพียงแต่มันกลับมากลับไปกลับมากลับไปยอยู่นีเนี่ยที่มันรวดเร็วมาก <c oughs> นันน้าขนาดที่มันหลุดจากกายปั๊บเนี่ยคือตายแล้วเราก็เหมือนไปด้วยแรงเชื้ออยถ้ามันไม่กลับมาจริงๆก็คือหน้าเวลาหนึ่งก็ต้องลมลมอันนี้ถ้าถ้าใช้ขระสู่รเหล่านี้น่าน่าจะง่ายหน่อยแล้วสติปัฏฐานสี่ทุกเจ้าก็ <c oughs> ก็อธิบายด้วยการให้อยู่กับลหมหายใจเข้าออก พระอาจารยครับเมื่อจิตดวงแรกกลับไปจะสมผลกรรมอย่างไรไปให้จิตดวงถัดไปเมื่อจิตดับ อ, อวิชชาได้แล้วหมดความคิดมั่นถิดมั่นแล้วจิตเข้าสู่สภาวะวิมุตติญาณทัศน์ได้อย่างไรสรุญาอธิบายด้วยครับตรงนี้พอเราใช้นิยามสัตว์ที่ต่างจากพระศาสดาเราจะงงเองเพราะเราใช้คําว่าจิตเหมือนกัน นั้นในธรรมะช่วงที่เป็นภาพเกี่ยวรอยต่อระหว่างบิมุตกับสมุตเนี่ย <c oughs> ต้องใช้นิยามสัตว์ของพระรศาสดาทันทีเลยยมบอกว ok ่าจิตที่ไปสู่อารมณ์เนี่ยจากอารมณ์นี้ไปสู่อารมณ์นี้เนี่ยมันพาไอ้พวกกรรมเก่าของเก่าไปได้ยังไงจริงๆ มันตัวจิตหรือวิญญาณหรือมโนใจจิตมโนใจวิญญาณนะสามชื่อตัวเดียวกันเอาตั้งแต่นิยามสัตว์ก่อนเพราะฉะนั้นขนาดที่ทจิตดวงหนึ่งดับหรือวิญญาณดวงหนึ่งดับนะแล้ววิญญาณดวงใหม่เกิดมันไม่มีที่จิตเอาข้อมูลก่าเนี่ยเก็บไปด้วยนะจิตนี้ก็สลายไปแล้วจบไปแล้ว วิญญาณดวงใหม่ก็เกิดท่า น, ะนี้ผู้ที่ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัง้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกมันจะมีความว่างที่รองรับทั้งอารมณ์ทั้งวิญญาณนะที่เป็นผู้หลงอยู่เนี่ยนะไอตัวเนี่ยเป็นตัวสัสมความคุ้นเคยที่ตัวเองยึดถือวิญญาณที่เข้าไปอยู่ในอารมณ์ใด มากก็จะคุ้นเคยกับอารมณ์นะั้นผู้หลงเนี่ยเหมือนมันเป็นตัวที่สแตนบายอยู่ตลอดเวลาเมื่อวิ ญ, ญญาณดวงนี้ดับจากอารมณ์นี้ผู้หลงเมื่อยังหลงอยู่จะหาวิญญาณดวงใหม่เพราะคิดว่าตัวมันจะตายมันก็จะคว้าวิญญาณดวงใหม่ต่อไปนั้นเมื่อมันยึดถือวิญญาณดวงใหม่วิญญาณดวงใหม่เข้าไปยึดในอารมณ์นะมันก็ยึดถืออารมณ์นี้ต่อว่าเป็นของมัน ถ้าในขณะที่มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิญญาณเนี่ยไม่ใช่ของมันมันก็จะยึดถืออารมณ์เป็นตัวมันอีกดางนั้ น, นตัวความว่างเนี่ยมันรองรับระบบฐานห้าทั้งระบบเลยเท่ากับว่าจริงๆสภาวะวิมุติเนี่ยมันใหญ่มหาศาลเวลาเราจะไปที่ไหนเนี่ยทุกเจ้าจะไปที่ไหนพรหมโลกเทวโลกเนี่ยมัน ทีเดวทีเดวทีเดียวเดยวไม่ต้องการการเวลาเลยมันเหมือนกับระบบสังขป่าทั้งระบบเนี่ยคือกําปั้นตัวนี้และวิมุตติเนี่ยมันคือความว่างที่รองรับกําปั้นตัวนี้วิญญาณเกิดตรงไหนมันปั๊บรือทันทีถ้ามันจะยึดวิญญาณเกิดพมลโลกมันกรปั๊บยึดทันทีเกิดในเปลดวิสัยทุกมันก็ยึดได้ทันทีพระเจ้าไปที่ไหนเนี่ยเหยียดแขนคู่แขนถึงละ ทั้งทั้งที่มันไกลกันขนาดไหนมันถ้าไม่ต้องการการเวลาสิ่งที่วิธีที่สามารถทําได้ก็คือแบบนี้แบบเดียวคือ <c oughs> ว, วิมุตต้องใหญ่มหาศาลนะนั่นมันคือความว่างที่รองรับระบบทั้งระบบเลยเพราะฉะนั้นวิญญาณจะเกิดที่ไหนในโลกกระถามันจับได้หมดในทันทีฉะนั้นเมื่อวิญญาณดวงนี้ดับปักเนี่ย ผู้หลงก็จะยึดวิญญาณดวงใหม่นี่วิญญาณเนี่ยเกิดเต็มโลกธาตุไปหมดเลยเกิดดับเกิดดับมากมายมหาศาลก็อยู่ที่ว่ามันคุ้นเคยกับอันไหนอนุสัยหรืออาสวะความเคยชินนั่นเองมันก็จะคว้าวิญญาณดวงใหม่เป็นตัวมันของมันและวิญญาณดวงใหม่ก็จะเข้าไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุนั้นต่อไป เพราะมันเป็นคุณสมบัติของมันวิญญาณหรือจิตหรือใจไม่รู้เรื่องอะไรก็เกิดเกิดด้วยการเข้าไปตั้งอาศัยสักพักแล้วก็ดับเกิดด้วยการเข้าไปตั้งอาศัยในสีท่ทาสักพักแล้วก็ดับมันทำหน้าที่อย่างนี้เหมือนฝนตกนะฝนหยุดไม่มีใครสั่งมันก็เป็นตามเหตุปัจจัยวิญญาณก็เกิดดับเกิดดของมันไปเพราะวิญญาณไม่ใช่ชีวิต จึงไม่มีวิญญาณเก็บข้อมูลเก่าวไปสู่วิญญาณดวงใหม่วิญญาณดวงนี้ก็จบไปแล้วหายไปแล้ววิญญาณดวงใหม่ก็เกิดขึ้นสัพภาคก็จบไปแล้วหายไปแล้วคนเก็บข้อมูลคือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก <c oughs> ดังตราบใดที่มันยังมีความไม่รู้เป็นเครื่องกัน้นมันก็จะยึดวิญญาณเป็นตัวมันของมันเลื่อยไป นั้นเมื่อมันปฏิบัติมักแฝดจนกทั้งมาเห็นว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวมันเห็นวิญญาณเกิดดับมันก็เริ่มรู้แล้วว่าตัวมันไม่ใช่วิญญาณนะมันก็เริ่มที่จะปล่อยวิญญาณไม่อยากได้แต่ยังไม่อยากได้เป็นที่มันก็ยังคว้าอยู่แต่ณเวลาใดที่มันไม่อยากได้เป็นที่นะมันก็จะไม่ยึดถือวิญญาณดวงใหม่ต่อไปนะเพราะนั้นณจุดนั้นเนี่ยพระเจ้าจึงบอกเมื่อวิญญาณเนี่ยดับ จัดขังนี้ไปแล้วเนี่ยวิญญาณดวงใหม่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดการสลับขื้นสลับลงซึ่งวิญญาณไม่อยากได้ก็จะเข้าเข้าสู่รอยต่อระหว่างวิญญาณก็คือความว่างที่รองรับการเกิดกับของวิญญาณของระบบทั้งระบบเนี่ยนั้นสภาวะความว่างตรงเนี้มันไม่ปรากฏการเกิดการดับมันจะรู้หมดว่าวิญญาณดับมันก็รู้วิญญาณเกิดมันก็รู้ มันรู้ทุกเรื่องนะนั้นและตัวนี้มันก็ไม่ขยับไปไหนแต่มันมีอนณาเขตมันมันกว้างใหญ่มากนะเป็นเหมือนจักรวาลถ้าอาตมาเคยเคยอ่านของหลวงปู่ดูลย์อันหนึ่งที่บอกว่าสภาวะเดิมเรามันเหมือนเหมือนระบบจักรวาลทั้งระบบเลยอย่างเงี้ยนะก็จะจะแบบนั้นนะนั้นมันมันยิ่งใหญ่มาก สิ่งที่มีความเร็วสูงที่สุดคือสิ่งที่นิ่งที่สุดและถ้าเปรียบกับไอน์สไตน์ก็บอกถ้าอะไรเร็วกว่าแสงมวลจะเป็นอนันต์เลยใหญ่สุดหาหาขีดจากัดไม่ได้อย่างนี้คก็พอดีมีความสงสัยในเรื่องนี้ อ, อยู่นะครับถ้าในที่สงสยัยก็จะถามที่เดียวกันเลยจะได้อยู่ในเรื่องเดียวกันนะครับครับยก ม, มือเลยครับด้านหลังนะครับ คอเป็นในเรื่องนี้นะครับคุณพิพัฒอาจารย์อธิบายเรื่องนี้พอดีอครับอ๋อการค่ะพอาจารย์ตอนนี้กระบวนการในการหลุอพอดพ้นนี่นะคะถ้าร่างกายยังไม่แตกต่างไปเราก็ยังต้องยีดถือท่าแขนอยู่ใช่ไหมคะแล้วการที่จิตหลุอพอดพ้นเออมันจะถาวรไหมคะอืม ก็คือมันถาวรไม่ถาวรเนี่ยมันอยู่ที่มันมีวิชาไหมตอนนี้จิตเดิมแรกสุดเนี่ยสสแสดงถึงความที่มันไม่มีวิชามันก็เลยเข้ามายึดจับขันข้างหน้านั้นเมื่อจิตมีวิชาแล้วเนี่ยก็จะไม่กลับมาแล้วเพราะว่ามันมีวิชาแล้วแต่เดิมที่มันเข้ามายึดถือเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีวิชา เท่ากับว่าวิมุตต์เนี่ยใช้ได้ทั้งขันท่าและใชไ้ช ไ, ด 5, ชได้ทั้งวิมุตติยานทศนะใช้ได้ทั้งขันท่าและใช้ได้ทั้งวิมุตต์ตั้งมาใส่ได้หมดยึดถือได้หมดแต่มันมายึดถือขันท่าเพราะมันไม่รู้นั้นถ้ามันรู้แล้วมันก็อยู่ในวิมุตต์นั้นเท่ากับครั้งแรกสุดเนี่ยวิชาตรงนี้มันไม่มีเลยทําให้มันเมื่อ เข้ามาอยู่ในระบบขันห้าแล้วเนี่ยมันถอนตัวออกไม่ได้นะเพราะระบบขันห้าเนี่ยมันมันเข้ามาด้วยความพอใจจึงถอนความพอใจออกไม่ได้เหมือนเราหลงเข้ามาในขา ว, วงกตแล้วออกไม่ได้การจะออกได้นั้นก็คือต้องมีผู้ที่รู้วิธีออกซึ่งก็คือผู้ที่สร้างบา ร, รมีมาเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งนานๆจะมีทีต้องเป็นดวงกิจที่ฝึกฝนตนเองกันอย่างมากดวงกิจอื่นก็คือคอยฟังแล้วปฏิบัติตามแล้วออกจากเขาวงกตนี้ได้อย่างนีนะ้พอมาถึงนี่ปั๊บก็ต้องการตัวเองมีวิชาแล้วเขนะ้ากับตอนแรกเนี่ยสภาวะวิมุติยันทัศนะเนี่ยมันมันไม่มีวิชาท่นี้เราจะเรียกว่าวิมุติยันทัศนะก็ไม่ได้เพราะวิมุติยันทัศนะใช้เรียกสําหรับที่มีวิชาแล้ว เพราะนั้นสิ่งที่ยังไม่มีวิชาจึงถูกเรียกว่าผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีสภาวะธรรมะหนึงเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าอะไรแต่มันมีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาคือความอยากเนี่ยเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในพกนะเพราะมันพอใจอำนาพอใจการสร้างการเกิดนั่นเองมนีแปลว่าถ้าเราเข้าใจปัญหาอะไรสักอย่างเนี่พอมันเคลียร์แล้วมันก็เคลียร์ไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ใช จริงจริงมันก็แค่น้ำนอ ล, นะะลองอมหม่สักพูดนะครับ๋ย่ได้อัดหะองตอ่ะลยการนวัตสร้างจะมาเนืองจาก เ, ออเวลาที่เราฝึกปฏิบัติเนี่ยก็คือการฝึกเพื่อที่จะให้ ผู้หลงเนี่ยได้เดินทางที่ถูกใช่ไหมคะใช่ให้มันหายหลงใช่การหายหลงก็คือการบรรลุอริยสัจสี่อริยสัจสคือสัจจะความจริงของของปลอมว่าของปลอมที่มันหลงอยู่เนี่ยไม่ใช่ของมันนะนั่นมันเป็นสัจจะของของปลอมนั้นในบิมุติจึงไม่มีอริยสัจสีนะ่ธรรมะทั้งหมดจึงต้องทิ้งอยู่หลังจากบรรลุธรรมแล้ว ที่ผู้เจ้าเปลี่ยบเหมือนพ่วงแพรทำมาทั้งหมดที่โรงสอนเนี่ยเปลี่ยบด้วยเรือแพรที่เมื่อถึงฝั่งแล้วต้องโยนทิ้งหมดะจะเอาเก็บไปที่วิมุตไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ เ, เรียกว่า วิมุตติยนานทัสนะหรื อ, อ, อเนี่ยนะคะตอนที่ยังไม่เป็นวิมุตติยานทัสนะก็เรียกว่าผู้หลงผู้หลงนี้ก็คือมีความเคยชินอยู่กับสิ่งที่คุ้นเคยก็คืออาสวะเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติก็เพื่อให้จิตเราพ้นให้ให้ผมเีพ้นพ้ น, พ น, พนอาสวะพ้นความเคยชินเดิมๆแล้วมาสร้างความเคยชินใหม่เมื่อมาสร้างความเคยชินใหม่แล้วพอจิตพอพอ เพราะผลิตผลเอ่อไม่จบความเขินนะคะเมื่เมื่อสร้างความเคยชินใหม่ได้แล้วเอ่อความหลงก็จะหมดไปตเมื่อความหลงหมดไปก็เอ่อจะจะได้เป็นเอ่อจะเรียกว่าวิมุตติยานตพสนา โดยอาศัยวิมุตเป็นเครื่องอยู่ถูกต้องเช่นเดียวกับผู้หลงที่อาศัยขันิญญาณและขันธ์ทั้งสีเป็นเครื่องอยู่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องเลยแล้วคะนี่เห็นภาพออกแล้วทีนี้ผู้หลงก็เกิดดับเกิดดับผู้หลงไม่เกิดดับผู้หลงเนี่ยมันมันเป็นความว่างที่ มันสแตนบายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขณะที่วิญญาณดาบเนี่ยมันยังรู้ว่าวิญญาณดับแสดงว่าตัวมันไม่ดับเนี่ยแล้วมันจะยึดวิญญาณดวงใหม่ทีนี้การการยึดของผู้หลงเนี่ยมันไม่ได้ยึดด้วยการสร้างการเกิดนะมันเป็นความเข้าไปยึดเฉยๆนะแต่ไม่เหมือนกับระบบของสมมุติที่ว่าถ้ายึดคือเกิดอย่างเนี้ย แต่วิมุตต์เนี่ยเวลามันยึดวิญญาณเนี่ยมันไม่ได้สร้างการเกิดเพราะฉะนั้นมันต่างระบบมันต่างกันนั้นเราจะคุ้นเคยแต่ว่าถ้ามันเข้าไปจับยึดคือการเกิดมันคืออริยสัจสี่ถ้าเข้าไปจับยึดคือเกิดและมีการมาการไปแต่สภาวะของวิมุตต์เนี่ยไม่ได้มีมามีไปมันนิ่งสนิท ยมลองจินตนาการว่าถ้าความนิ่งสนิทเนี่ยใหญ่เท่ามหาจักรวาล น, นะหรือเหมือนระบบจักรวาลระบบสุริยะทั้งระบบเนี่ยนะกาแล็กซี่มหาศาลเนี่ยมันถูกรองรับภายใต้ความว่าง น, นั้นตัวเนี่ยมันแตกได้หมดเลยนะมันรู้ทุกอนูนะวิญญาณดวงไหนจะเกิดจะดับมันรู้หมดอยู่ที่มันจะยึดอะไรมันยึดก็คือมันเข้าไปหลงปั๊บเฉย ดวงนี้ดับมันยึดตรงนี้ต่อดวงนี้ดับมันยึดฝั่งนี้ต่อซึ่งมีมากมายมหาศาเลเต็มทุกปานูเต็มหดเล ย, เ, น เ, นยเพราะฉะนั้นสภาวะนี้ไม่ได้เคลื่อนไปไหนนิ่งสนิทตลอดนี่ครับถามอาจารย์ว่าเป็นคาราว่าสามารถบรรลุโสดาบันไดไหมคะและหากไม่สามารถบรรลุในชาตินี้ทําอย่างไรจึงจะ ได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมต่อความคิดที่สอนเนี่ยโยนทิ้งไปได้เลยเพราะว่าความคิดที่สอนเนี่ยมันจะเข้าข่ายอติณิปปาตกคือสําคัญตนว่าไม่ดีคงไม่ได้หรอกโสดาบันคงไม่ถึงอะไรอย่างนี้นะแค่คิดอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้วนะเพราะความคิดพวกนี้ต้องทิ้งเลยว่าต้องคิดว่าได้ในภาสาริบุตรยังบอกว่า อันนึงอย่าดูหมิ่นตนเองด้วยเราต้องไม่ดูหมิ่นตนเองเพราะถ้าโยมดูหมิ่นตนเองปุ๊บี่แค่ความคิดบ้าๆนี้ขึ้นมาเนี่ยศัรยภาพโยมหมดไป ท, ทันทีใช่ต้องไม่คิดอย่างนี้คิดว่าเราต้องได้แล้วเราก็จะได้สร้างเหตุปัจจัยคือจรรำไม่จำไม่ขาวสร้างอนุ้ใจใหม่สร้างความเคยชินใหม่กับมัดนืองแปด ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะซึ่งจะเป็นเหตุให้สิ้นกรรมสิ้นความเคยชินเก่าๆได้ทั้งหมดวิชาจะค่อยๆเกิดขึ้นจะเป็นนักบวชหรือเป็นฆ ร, ราวาสก็ตามศักภาพในการบรรลุ ธ, ธรรมเนี่ยเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกันเพียงแต่ว่านักบวชเนี่ยมีโอกาสในการาที่จะ บรรลุธรรมเพราะพูะเจ้าสร้างโอกาสให้พูเจ้าบอกว่าคาราวาเนี่ยครับแค่เป็นทางมาแห่งธุรีบรรพชาเนี่ยเป็นโอกาสว่างเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยสร้างโอกาสว่างไว้ให้สำหรับคนที่ต้องการหลุดพ้นได้ไหวแต่ถ้าเขาไม่ใช้โอกาสว่าง <c oughs> ก, ไางก็ไม่ต่างกับโยมไม่ต่างกับคาราวาซึ่งพระองค์จะเปรียบเหมือน ดุนฟืนจากเชิงตะกอนที่เผาศพปลายสองข้างยังมีไฟตรงกลางเปื่อนอุจจาระใช้เป็นไม้ในป่า ก, ก็ไม่ได้ใช้เป็นไม้ในบ้านเรือนก็ไม่ได้เป็นคนที่จนที่สุดในโลกโภค ข, ของคาราวาส ก, ก็ไม่ได้นทรัพย์ในอริยทรัพย์ก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยเพราะนั้นนักบวชเนี่ย เพียงแค่มีโอกาสว่าในการปาราศความเพียรแต่คลรวะเนี่ยโอกาสว่ามันน้อยเพราะโยมต้องทำมาหายอยู่หากินนะพระเจ้าจึงมองว่าคลรวะเนี่ยครแค่เป็นทามาแห่งหนะบุรีบรรพชาเป็นโอกาสว่าแต่ถ้าโยมใช้มาวิธีที่พระเจ้าบอกสอนไว้กับคลรวะมันก็จะเป็นหนทางที่จะทำให้สู่ความหลุดพ้นในเพศของคารวะได้ ซึ่งผู้เจ้าก็บอกลักษณะของเนื้อที่นอนจมบวงแต่ไม่ติดบวงนะก็สามารถหลุดพ้นได้เหมือนกันอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมทาไดนะ้ด้วยการเห็นอัาธาเห็นอาินวะและเห็นนิสรณนะรู้จักคุณมันรู้จักโทษมันและรู้จักอุบายเรื่อออกไปพ้นจากมัน อุบายเครื่องออกไปพลผูเจ้าก็บอกให้ลักความเพลินฝึกลักความเพลินไปเรื่อยๆเพรานะนั้นธรรมะนี้เหมาะสําหรับปุถุชนนี่แหละอริยสัจสีก็มีไว้สําหรับปุถุชนผู้หลงนี่แหละเพื่อให้หายหลงห น, นี่เห็นไหมครับเรื่องนี้ครั บ, ดนนรบได้ทีเดียวดดยนนเดี๋ยวรอไหมไปข้างหน้าเดี๋ยวก็ที่เ็นหลัก เขากลับไปเรื่องิยา น, นะคะท่บาบยินดาเนี่ยที่ท่านบอกว่าจะไปอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังหารสมมุติว่าเราเนี่ยไปอยู่ในสัญญาถูกความจําได้ไหนรู้เรื่องเก่าเกรากลับไปคิดกลับมาแล้วเราก็มันก็ดกับ เ, เกิดใหม่อีกก็กลับไปคิดอีกคิดเรื่องเก่าอีกวันนีจะเป็นอนศศุใสแล้วถ้าเราตายในตอนนั้นเนี่ยแล้วมีเหตุปัจจัยให้เราต้องไปเกิดใหม่เนี่ยอ ทำไมทำไมเราถึงยังจำสัญญาเก่าเราไม่ได้ในเมื่อเราปฏิบัติมาจนจนจนตลอดเนีว่าเรากลับไปนึกถึงเรื่องนั้นแล้วเราก็ทุกข์เรากลับไปนึกอจิตดับเรกลับไปนึกอีกแล้วเราก็ทุกข์อีกแล้วเราตายโดยตู้รถชนตายขึ้นมาตอนนั้นแล้วเราไปเกิดใหม่ทำไมเราถึงจำไม่ได้เรื่องเรื่อง่จ่ายวันนั้นสัญญาบางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้บางคนเนี่ยเกิดมาใหม่รู้นทรัพย์สมบัติฝังอยู่ตรงโน้นตรงนี้มาหนัหนิจัง บางทีโยมก็คิดเรื่องเก่าได้บางทีก็คิดไม่ได้เรงก็ยังแต่งเลยบางสิ่งอยากจํากลับลืมและอยากลืมกลับจำใช่อ่าไอ้เรื่องที่อยากจะจำข้อสอบดันลืมสอบตกอีกใช่ไหมไอ้เรื่องไม่ดีแต่จาดีนะหอเมึขึ้นมามันอ น, นิจจังไม่แน่นอนเลยไม่มีความแน่นอนเพราะวิญญาณมันไม่รู้เรื่องอะไรและไอ้ผู้หลงมันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยึดวิญญาณตรงไหนมันยึดตามความเคยชินของมัน แค่นั้นเองเพราะนั้นมันไม่มีความแน่นอนอะไรที่ว่าความจำจะเกิดขึ้นมาได้ไม่ได้อะไรตอนไรมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเท่านั้นเลยเพราะนั้นเราไปคิดเองว่าเอ๊ะอันนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการคิดว่าเอ๊ะชีวิตมันเป็นอย่างนี้ทั้งๆที่ระบบทั้งระบบมันไม่ใช่ละชีวิตเลยชีวิตจริงๆเนี่ยนิ่งสนิทนะอืมไม่แสดงตัวอะไรเลยเพราะนั้นระบบพวกนี้ไม่ใช่ชีวิต แล้วมันจะจําได้ไม่ได้มันก็เรื่องของมันอย่างนี้ยแล้วก็ไม่มีใครมาสั่งมันด้วยแล้วเราก็สั่งอะไรไม่ได้ด้วยเป็นไปตามเหตุปัจจัยหมดเลยในเรื่องบางเรื่องเราโู้ตั้งใจใหญ่จะดัางลืมเดือมันก็อนิจจ์แน่ๆอย่างเนี้งั้นถ้าเรารู้ธรรมชาติอย่างนี้ตามความเป็นจริงเราก็จะไม่กังวลว่าเราลืมอะไรเราก็ไม่กังวลอะไรเกิดขึ้นมา อกุศลเกิดขึ้นมาเราก็จะไม่รูสึกอู้ทำไมฉันต้องคิดอกุศลเพราะมันเรื่องของมันอกุศลเกิดขึ้นกับเรื่องของมันไม่ใช่เราคิดมันเกิดจากของมันเองอย่างเนี้ยด้านหลังครับจะพูดนะครับพิ้วไทยชนะก่อนความเข้าใจนะค่คือ พี่อาจารย์บอกว่าบิมุสบิมูสเนี่ยคือใหญ่จัรวาลแล้วที่สิ่งที่ลองรับบิมูสนความว่ากันนั้นเนี่ยคือความหลใช่มคะมันไม่มีอะไรรองรับบิมูลอย่างิมูสมันละเอียดสุดี่อาจารย์บอกว่าบิมที่ที่เป็นที่เป็นจักรวาแล้วที่ที่คอย ขอพระอาจารย์อธิบายหน่ค่ะแล้วก็อีกสักครั้งหนึ่งโยนด้านหลังที่ได้ถามพระอา จ, จารย์ตรงนั้นเนขออีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะไม่รู้อะไรก็ค่ขอพระอาจารย์อธิบายอันที่เป็นอันที่ระบบขอที่วิบุติยานทัศนตั้งอยู่นิุรนะครับแล้วพระอาจารย์เทื่อว่าวิบุตรเนี่ยมันกว้างใหญ่มากกับจักรวาล ระบบจักรวาลจักรวาลอ๋อแล้วมันจะไปตั้งอาศัยในอะไรครับวิมุตมันเป็นระบบที่ละเอียดเท่ากันวิมุติยานรศนะกับวิมุตเนี่ยละเอียดเท่ากันพระเจ้าบอกว่าสิ่งสิ่งนั้นมีอยู่แล้วก็บอกไปอธิบายเนี่ยอันนี้วิมุตแล้วต่อมาพระเจ้าบอกในกรณีอันเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นตรงไม่กล่าวว่ามีการมาการไปนะ นั้นสองอันเนี่ยนะคือวิบูติกับวิบูติยันสนะมันมีความละเอียดเท่ากันเราเคยเห็นแต่ขันห้าซึ่งมีความละเอียดไม่เท่ากันเราไม่เคยเห็นสิ่งสองสิ่งที่มีความละเอียดเท่ากันอย่างนี้แล้วก็ตั้งอาศัยในการได้นั้นในขันห้าเนี่ยมันไม่มีความละเอียดเท่ากันเลยไอ้วิญญาณเนี่ยละเอียดที่สุดที่เข้าไปตั้งอาศัยในทุกเรื่องนะในขันทั้งสี่แต่ ความว่างอย่างยิ่งเนี่ยมหาสุญญตาหรือวิมุตต์เนี่ยนะ <c oughs> วิมุตติยัญทัศนะเมื่อถึงวิมุตนนมต์แล้วเนี่ยเมื่อเข้าถึงวิมุตติยัญทัศนะวิมุตติยัญทัศนะเนี่ยตั้งอาศาในวิมุตต์ซึ่งมันมีความละเอียดเท่ากันนะมันก็เลยไม่ไม่ต้องการอะไรนะไม่ไม่มีอะไรรองรับมันอีกแล้วเพราะว่ามันเป็นตัวที่ละเอียดที่สุดและมันเท่ากัน อย่างเนี้ยไม่เกิดไม่ดับเหมือนกันจึงไม่จึงไม่มีว่าอะไรรองรับบีมตดอีกคึอไม่ท่าไหรเพราะว่ามีอะไรที่ใหญ่กว่าอะไรคือขนาดไม่ใช่ว่าใหญ่กว่าแต่เมื่อกี้เมื่อีที่พูดถึงเรื่องจักรวาลเขาเําวัวปูดูที่ท่านพูดถึงใช่ไหมครับว่าท่านบอกว่ามันคล้ายๆล้แบบจักรวาลอ่ากว้างใหญ่มากก็ยังลองดูสิว่าจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่ธาตุดิ่น้ําไปลง นามธรรมาเนี่ยละเอียดกว่าดินน้ําไฟลงอีกนามธรรมาต่างๆเนี่ยยังชื่อว่ามันต้องการพื้นที่เลยกินพื้นที่พูดง่ายๆนามธรรมา ท, ทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องการพื้นที่เหมือนกับดินน้ําไฟลงนั่นเองนั้นสิ่งที่ไม่ต้องการพื้นที่ไม่กินพื้นที่ก็คือความว่างที่เหมือนกับว่าถ้าแก้วเนี่ยมันไม่ว่างโยมก็จะใส่น้ําลงไปไม่ได้ะนั้น ความว่างต้องมีก่อนพระเจ้าจึงบอกว่าความว่างต้องมีถ้าความว่างไม่มีเนี่ยระบบสมมุติเนี่ยมีไม่ได้ระบบสมมติทั้งระบบเนี่ยมันคือขันห้าซึ่งหูมันมีความละเอียดกี่ชั้นน่ยแค่ระบบกาแล็กซี่จักรวาลกับมันแค่ดินน้ำไอน้ำแค่รูปประธานอย่างเดียวอยู่มันยังมีนมามธรรมอีก4ตัวแล้วยมดูว่าความว่างมันจะละเอียดขนาดไหน ที่เราคิดว่าว่างแล้วมันยังว่างไม่จริงมันยังต้องการพื้นที่ไอความคิดเนี่ยความคิดนี่แต่ละคนก็ไม่ชนกันเนี่ยเนี่ยละเอียดขนาดไหนยังต้องการพื้นที่เนี่ยยังไม่ไม่ว่างอย่างว่างไม่จริงแต่ความว่างเนี่ยว่างกว่านั้นนั้นไม่มีอะไรแล้วลองรับความว่างนี่มันคือสิ่งที่ลองรับทั้งหมดอยู่แล้วและมันมีสองสิ่งอยู่ในนั้น คือวิมุตติยานสนากับวิมุตนั้นวิมุตติยานสนาเนี่ยเหมือนเป็นแต่ละบุคคลของแต่ละคนเนี่ยส่วนตัววิมุตเนี่ยก็คือธาตุตามธรรมชาติที่มันไม่เกิดไม่ดับนั้นใหญ่เท่ากั น, นและของแต่ละคนเนี่ยก็คือตั้งอาศัยในวิมุติวิมุตติยานสนาตั้งอาศัยในวิมุต แต่เป็นของเหมือนของส่วนตัวแต่ละคนเนี่ยนะของผู้เจ้าก็ผู้เจ้าของแต่ละคนก็แต่ละคนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนกลางที่ไม่เกิดไม่ดับเหมือนกันที่มันอาศัยมันเข้าไปตั้งอาศัยนั้นในฝั่งขันห้ามันจะรูปแบบมันจะไม่เหมือนกันมันมีการมันมีการตั้งอาศัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นฝั่งขันห้าการตั้งอาศัยจะแสดงการเกิดปรากฏดับปรากฏ แต่ฝั่งเวมุติไม่มีและละเอียดเท่ากันกับสิ่งที่เข้าไปตั้งอาศัยนะกับตัวที่มันถูกตั้งอาศัยมันละเอียดเท่ากันแต่ฝั่งขันห้าละเอียดไม่เท่ากันวิญญาณที่เข้าไปตั้งตั้งอาศัยในรูปเบตนานสัญญาสังขารทุกอันละเอียดไม่เท่ากันสักอย่างนงนะยังครับก็ขอเข้าใจกันอย่าคิดนะครับเดี๋ยวขาจะสักคําถามหนึ่งนะครับกพี่ด้านหลังก่อนเดี๋ยวถ้าพอดี เป็นเรื่องที่ที่ที่สุดน่าสนใจนะครับก็พอได้แนวคิดแต่ยังไงก็ต้องอาศัยการปฏิบัติครับครับนภัสการค่ะคือเนื่องจากว่าตัววิญญาณตัวตัวผู้หลงเนี่ยนะคะ เ, เมื่อยังหลงอยู่ขณะที่ผู้หลงดับวิญญาณดับวิญญาณดวงเก่าดับ<ห>แล้วเสร็จแล้วขณะนั้นก็ถือว่าผู้หลงเนี่ยได้ตายไปแล้ว แล้ววิญญาณที่พระอาจารย์บอกว่าผู้หลงเนี่ยไม่มีตายไม่มีเกิดแบบว่าแล้ววิญญาณเนี่ยดัแดบแล้วเท่ากับวิญญาณดับไปก็เท่ากับเท่ากับชีวิตนั้นตายไปถ้าชีวิตตายแล้วพระอาจารย์บอกว่าวิญญาณมันก็มีเกิดดับเกิดดับทั่ไปหมด ừ, ขณะที่วิญญาณโดนเก่าดับแล้ววิญญาณดวงเก่าก็ไปจับ อ, อารมณ์เกี่ยวกับอกุศล เพราะฉะนั้นวิญญาณดวงเก่าไม่ไ huh. ด uh ้ไปจับอารมณ์ว huh. ิญญาณดวงเก่าดับแล้วก็คือหายไปแล้วมันจะมีวิญญาณดวงใหม่เกิดท่นี้วิญญาณในขณะที่ดับเนี่ยวิญญาณเนี่ยจับอกุศลจับอกุศลอยู่เพราะฉะนั้นผู้หลงเนี่ยก็จะไปอาศัยวิญญาณดวงใหม่อยู่ที่นรกอย่างนี้หรือเปล่าคะคือวิญญาณดวงใหม่ที่ในเมื่อวิญญาณดวงเก่าจับอกุศลอยู่ Mm hmm. แล้วแล้วชีวิตก็ดับไปแล้วว mm ิญญาณแล้วผู้หลงเนี่ยก็จะไปจับวิญญาณดวงใหม่ที่อาบายภูมิแต่ถ้าผู้ผู้หลงแต่ถ้าวิญญาณดวงเก่าเนี่ยจับกุศลเพราะฉะนั้นขณะที่ที่ชีวิตดับไปแล้ววิญญาณดวงเก่าจับกุศลอยู่เพราะฉะนั้น ผู้หลงเนี่ยก็จะไป อ, อยู่ในครมอยู่ในเทวดาประจับวินญาณดวงใหม่ที่อยู่ที่ครมหรือเทวดาอย่างนี้หรือป่าใช่ไอารยมาเข้าใจที่โยมรู้สึกแต่โยมใช้บทประชนะไม่ถูกนะแต่ที่โยมรู้สึกเนี่ยใช่นะแต่โยมพูดไม่ถูกนะเพราะถ้ า, ถาวิเคราะห์ตามที่โยมพูดเนี่ยมันไม่ตรงน ะ, เ, ะเพราะมันจะกลายเป็นว่าผู้หลงมันดับแต่ผู้หลงเนี่ยมันดับไม่ได้นะ เองแต่วิญญาณมันดับไปดับมาเกิดดับเกิดดับแล้วถ้าผู้หลงเนี่ยไปยึดวิญญาณดวงใดที่เกาะในอารมณ์ใดอัตภาพใหม่มันก็จะได้ไปตามอารมณ์นั้นใช่ไหมอ่าแบบนั้นนั่นแหละหมายความว่าผู้หลงไปยังยึดอ ย, อยู่ในวิญญาณดวงทีออ่ดับไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงไปได้อัต ภ, ภาพใหม่ที่ที่ที่เป็นกุศลหรืออกุศลเอ่อก็พอวิญญาณดวงดวงนั้นดับไปแล้วเนี่ยผู้หลงเนี่ย หาวิญญาณเกาะไม่ได้มันเลยต้องไปหาวิญญาณดวงใหม่เกาะซึ่งวิญญาณก็มีให้มันเลือกเต็มโลกธาตุไปหมดนะเพราะมันคิดว่าวิญญาณเป็นมันก็คืออในกรณีที่ที่มันยังโง่มันก็ไปเลือกนะอวิญญาณดวงที่ไม่ดีวิญญาณในรนรกเนี่ยก็<บ> ก, ก็ก็ไม่อ่ามันโง่อยู่ตลอดเลยนะ <laughs> แต่การที่มันไปเลือกดีไม่ดีเนี่ย มันอยู่ที่ความโง่เนี่ยมันเคยชินแบบไหนอแต่ยี้งซึ่งกับกุศลหรืออกุศลที่เขาทำมาจาเคยชินถูกต้องใช่ขอบคุณค่ะใครับกั้นเดี๋ยวอีกสองท่านเมื่อกี้แทนตนี้น้องแอนนองไขามครับเดี๋ยวีเท่านจะต้องมีกิจกแล้วก็พี่กัลสักนิดหนึ่งนะครับได้ยังได้สิบห้านาทีได้ครับยี่สิบนาทีแล้น้องแอนกับพี่ลลดานะครับแล้วก็น้องนัท พูดเรื่องความว่าะคะว่ากว้างใหญ่มากอเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติเราอยู่ในสถานที่คนเยอ้เราเกิดกับเนี่ยหารู้หลักการอเงี้ย้เราก็ยินราว่าเราเราถึงคเดียวว่าเงี้ยฟังแล้วก็มีพระสูตรที่บอกว่าอะไรพระิกษสงฆ์หรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ทรา่าที่ฟังอันนี้คือเป็นความที่ที่ถูกต้องนะคะคนอยู่เยอะแต่เราก็ยินราว่าเออม่วายเี่เราก็แบบไม่มีใครอะไรเงี้ยค่ะ ก็คิดอย่างนั้นแหละในในขณะที่กำลังเจริญมัดเพื่อปฏิบัติเราก็คิดอย่างนั้นที่เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวก็คือเราไม่พยายามเกาะอารมณ์ใดๆขณะที่เราไม่เกาะอารมณ์ใดก็คือเราอยู่ผู้เดียวที่แท้จริงแต่ตอนนั้นมันก็ยังไม่ได้หลุดพ้นเพราะมันมีอารมณ์หนึ่งที่มันอาศัยในการเกาะเ็นจนกว่าที่ วิญญาณดวงที่เกาะ อ, อารมณ์ที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะดับไปแล้วเราเบื่อพอเราก็จะปล่อยวางได้อีกขณะนั้นก็คือเราแบบเรไม่ใช่คนสติไม่ดีใช่ไหมบางคนแบบมันพูดคนเดียวเลยเนี่ยการนี้มันคนละอันอย่างอย่างนั้นมันก็ก็ขาดสติมันหลงอะมันพูดคนเดียวมันปรุงแต่งอ่ะแต่นี่คือเราหยุดการ หยุดการปรุงแต่งและเรารู้ทั้งระบบะว่าระบบอะไรเป็นยังไงความคิดความจำอะไรเป็นงไงรู้หมดรู้ทุกเรื่องแต่ต้องการจะออกจากระบ บ, บนี้ใค่ะอย <c oughs> ่างนี้เราก็ต้องสึกวิญญาณเราไม่ให้เกิดเพื่อีออว่าผู้หลงจะได้ไม่มาถูกต้องใช่เพราะนั้นเวลาวิญญาณเกิดปุบนี่พเจ้าจึงให้ทิ้งเลยนะเร็วสุด นั้นถ้ามักวิธีใดที่ยังสร้างการเกิดแล้วก็ปรุงแต่งต่อช้าไหมช้ายอมจะวิเคราะห์ อ, ออกเลยอย่างอสุภะอาหารเป็นปฏิคูลหรืออะไรก็ตามที่ต้องใช้การคิดแล้วก็พิจารณาต่อไปช้าหมกเลยนั้นถ้าเร็วสุดคือพบเกิดปั๊บทิ้งเลยซึ่งผู้เจ้าบอกว่าพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยพบแม้นิดเดียวกันเกิดของจิตแม้นิดเดียวเนี่ย ก็ไม่มีคุณอะไรที่พอจะกล่าวได้เปรียบเหมือนอุจจาระปัสสาวะเลือดน้ำเหลืองน้ำห น, ำนองเสเลดนะที่เปื้อนเราแล้วไม้นิดเดียวก็หน้ารังเกียจต้องรีบทิ้งงนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นอกุศลกุศลต้องทิ้งหมดเลยถ้าต้องการในจุดที่หลุดพลนะไม่ดีหมดแต่แต่ละคนเนี่ยไม่ได้มีกําลังขนาดนั้นเพราะอาสวะอวิชาที่ คุ้เคยเคยชินมาเนี่ยมันทําไม่ได้เนี่ยมตัดความคิดไปเรื่อยๆมันเริ่มเครียดแล้วมันเริ่มไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้คิดท่านี้ถ้าจะปล่อยให้คิดเนี่ยเอาไปคิดเรื่องอะไรก็ไปคิดเรื่องดีไงเอาไปคิดอสุภปาอาหารปฏิปูลปฏิจรสุบาทินาโดยความเป็นธาตุเป็นนัยนะเพื่อปล่อยวางเพื่อไม่ให้คิดไปในเรื่องอกุศลอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้ามีกําลังทําได้ทําเลยเพราะฉนั้นจึงต้องเพาะกาลังไปเรื่อยๆ เกื่อนๆเกเร็กเกียน้อยจนมีกําลังเป็นที่นะอุะศนทิ้งได้แล้วอุศนยังทิ้งไม่ไหวก็สร้างกุศลเลยก่อนพอต่อมากุศนก็เห็นแล้วว่ามันมีการเกิดการดับก็เริ่มทิ้งกุศลละเริ่มฝึกทิ้งกุศลไปเรื่อยแค่นี้กําลังแค่นี้ก็เล่นกันเป็นห้าปีสิบปีนะใช่ไหมพอทิ้งกุศลมาทิ้งกุศลมาชํานานขึ้นชํานานขึ้นเริ่มไวัยละเริ่มเห็นแล้วว่าจิตเกิดับ ปล่อยวางจิตเกิดปั๊บวางกว่าจะได้ขนาดนี้นานนั้นเนี่ยสร้างกําลังกันนานนะพอ <c oughs> พอโยมได้ขนาดนี้คือวัยเข้ากับพิษตาคือจิตเกิดปั๊บเนี่ยกับพิษตาเดียวดับต่อไปโยมต้องวัยกว่านั้นอีกคือจิตกําลังขยับไปปุ๊บเนี่อรู้แล้วนะรู้แล้วว่ามันกําลังจะไปสู่อารมณ์นี้จากนั้นไวเข้าไปอีกเมื่อจิตจางคลายปั๊บเนี่อรู้ตัวแล้วจิตจางคลายพอดับปั๊บปล่อยวางก็เข้าวิมุตต์เลย เนี่ยกวจะสร้างกำลังมาค่อยๆมามามาได้ขนาดนี้ดงั้นจับอย่างเดียวคือโยนทิ้งโยนทิ้งรับความเปินรับความเปินมันจริงเป็นม่ร ว, วิธีที่เจ้าสอนบ่อยก็มันรัดสั้น ง, ง่ายสุดดับพพดับชาติเลยนะเพียงแต่กําลังเรามันจะไม่พอแค่นั้นเองเมื่อกําลังไม่พอยังสู้ไม่ไหวก็ไปคิดคิดก็คือมีเรื่องให้คิดก็ไปคิดเรื่องกุศล น, นะปฏิจจนะอายตนะอะไรอย่างนี้ ก็คือไม่ให้ไปคิดฝันอสุรอย่างนี้ฟัแงแม่ใจไหมแต่ทึ ง, งนีว่ า, เ, <อ>าเรา<ฮ>ยังไม่สามารถทําให้บุญ ญ, ญาณไ ม, ไม่เกิดได้แต่ถ้าบิญ ญ, ญาณจะเกาะอะไเรื่องที่ดีผู้หลงก็จะไปขอเรื่องที่ดีก็ทําให้เราอยู่ตร ง, งนั้นต่อใช่ใช่แล้วผู้หลงที่มีอยู่ทั่วไปเป็นสภาวะแบบ ผู้ผู้หลงก็คือแต่ละคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นผู้หลงหมดเลยซึ่งก็คือคือความว่างนั่นเองนะเภาวะที่เหมือนกับวิมุติเหมือนกันแต่เรียกวิมุติก็ไม่ได้เพราะมันยังหลงจริงซึ่งจริงๆมันก็คือตัวเดียวกันแต่ตัวเดียวกันที่ยังมีอวิชากับไม่มีอวิชาก็คือผู้หลงไม่อวิชาก็คือวิมุติใช่ใช่คือวิมุติยามทศนะแต่ ใช่ใช่อยู่ทุกตานุของของทั่วโลกาธาตเลยนะมันจึงไม่ต้องการการเคลื่อนไปนตรงไหนก็ได้มันยึดไปั๊บปั๊บปั๊บเพราะนั้นสิ่งที่ไม่มีการเคลื่อนไปที่หยุดนิ่งแต่มันสามารถรู้ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณอย่างเงี้ยมันต้องใหญ่ที่สุดใช่ไหมอ่าจินตนาการเยอะหน่อยนะ <laughs> เดี๋ยวกครู่นะครับ เ, เอ่ขอให้ที่นี่ตค่ะาค่ะในกรณีที่เราทิ้งความคิดอยู่ทชิงวอญราณบ uh huh. ่อยๆเนี่นัน uh huh. ทาให้เราเนี่ยเบืที่จะคิดเบื่อที่จะคิ ด, uh huh. คดแล้วเวลาเราที่เราทางานนะครับทำงานเนี่เราต้ต้องใช้ความคิด uh huh. พอเรามีความรู้สึกว่าเขาเบื่อที่จะคิดแล้ว ก็คือความว่างตรงนั้นใช่ไหะถูกต้องไหมคะที่เพรทีเราเราคิ้งบ่อยๆล้วก็เบื่อที่ทจะคิดคไปแมก็บอกเบืที่คิดคือความว่างคือมืดปันอย่าไม่ใช่เพราะมันยังมีความว่างในระบบสมมุติที่เวลายมเบื่อที่จะคิดแล้วยังไม่ได้เป็นพระหลานเนี่ยมันจะมาเกาะ อ, อุเบกขาบ้างไปกาะความว่างแบบอากินจันญายตนะบ้างไปเกาะกีบ้าฐานแล้วมันมีประเภทของความว่างอีกตั้งหลายแบบ ที่มันเข้าไปเกาะเพราะนั้นเราต้องยืนตัวอยู่กับอริยสัจ ส, สี่ว่าไอ้ความว่างที่เราไปเกาะเนี่ยมันดับไหมถ้าดับไม่ใช่เราก็ดูความว่างเกิดดับต่อไปเนงั้นไอ้ตัวความว่างที่เกาะเนี่ยคืออุเบกขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยนี่แหละคือมันตัวอวิชชาเลยที่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าปล่อยวางอุเบกขาได้ก็คือละอวิชานุสัยได้นะี่ว่าไม่ว่าว่า เราจะไปติด่ที่อุเบกขาหรืออะไรก็ตามถ้าเรายัางรักไม่ได้เราก็ติดคัวอสัจจรรยใ์ใช่ใช่แล้วเราก็ใช้อลิศสัตว์สอย่างเดียวดูว่ามันเกิดมันดับมันเกิดมันดับออะไรนะมจิตหก็หก็เพราะไม่ไม่คงอยู่กับอลิศสัตว์มันก็เลยเป็นอย่างงี้ มีสมุดอย่างผู้หลงที่มีคำวิชาเป็นจักโรงจิตใจในโปรหม่ะค่ะจะไปตามวิสัยที่เป็นคุ้นเคยใช่ไหมคะอย่างเช่นเด็กสมุทชาติเนี่ยเร่มขีโกกขี้โง่ข้หมุนหมอะไงเงมันก็จะดูกจะทำวิสัยอันเนี้ยในพวอโครใหมายในชาติหน้าด้วยเป็นไปได้ว่ามันคุ้นเคยมากขนาดไหนอย่างเช่นภาษาลีบุตรคุ้นเคยกับอากัปปิยาที่ไม่งดงามมานานหรือพระรหันต์ที่ ผู้จาไม่เรียบร้อยก็คเคยเกิดเป็นพราหมาไหลร้ลอยชาติต่อเนื่องมันก็อยู่ที่ว่าความต่อเนื่องของชาตินั้นะมันนานขนาดไหนจนกระทั่งทําให้มันติดมาในภพต่อไปได้เแต่ถ้าไม่นานมากมันก็ไม่ติดแล้วอย่างอย่า ง, า ง, างความที่เขาคิดว่าเรืเ่องตรงนี้มีนิสัยหนังสัตว์เดินฉาบเกิดนี่ก็เป็นไปได้ใช่ไหมเขาว่ า, เ, าเป็นไปได้ก็อย่างภิกษุที่ที่เป็นผู้มักเลออ้วกนะซึ่ง พออ้วกมาปับ๊บเขาก็กลืนอาหารเข้าไปภิกษุองค์อื่นก็โจดว่าต้องบัดปายติเพราะกินอาหารเวลาวิการใช่ไหมก็เลื่อนไปถึงผู้เจ้านะผู้เจ้าก็บอกว่าหลุดออกมาจากปากยังไงถ้าหลุดมาจากปากแล้วกลับกินเข้าไปใหมนะ่เนี่ยปาิตีแต่ถ้ายังอยู่ในปากก็้วตืนเข้าไปผู้เจ้าบอกไม่ปราบประบตินะแล้วก็ไม่ไม่ตําหนิภิกษุองค์นี้เพราะว่า ก็บอกว่าเคยเกิดเป็นพวกบัวควายมาหลายร้อยชาติต่อเนื่องก็เลยติดนิสัยเป็นผู้มักเลยอ้วกอย่างนี้ด้านหลังนีดหนึ่งโยมจะคิดอย่างนี้ได้ไหมเพราะว่าโลกสมมุติอยู่ฝากฝั่งหนึ่ง โรคบิมุตอยู่ฝ้าฝั่งหนึ่ง uh huh. และขณะนี้ที่เรามาปฏิบัตินี่เราคือกำลังขึ้นแพขึ้นยานเพื่อจะไปโรคบีมุด ใ, ใช่ไหมคะใช่ๆเพราะนั้นมักแปดผู้เจ้าจึงเรียกว่าธรรมยานเนี่ยยานเนี่ยยานคือธรรมะที่จะนำพาเราเนี่ยเข้าสู่วีมุิเข้าถึงปั่นนั่นเองเนะงั้น สองฝั่งที่โยมบอก่ยมันก็คือสังคตตาลักษณะกับอสังคตตลักษณะนั้นสังคตตก็คือเกิดเสื่อมเสืมเรื่อยๆอสังคตตก็คือไม่เกิดไม่เสื่อมและไม่มีการเสื่อมต่อไปดับก็ไม่มีนั้นระบบใหญ่ๆจริงๆก็คือมีสองระบบคือวิมุตต์กับสมมุติสมมุติก็คือขัน5ทั้งหมดก็ได้ตั้งแต่ ปรมาโลกเทวโลกมนุษย์โลการกกัมเรย์ไดชานเปวิสัยเกิดแก่เจ็บตายวนอยู่ในนี้คือฝั่งของสังฆตังฆตาสังฆตาังฆตะก็คือวสังฆตาัตาสังฆังฆตาสังฆตาสังฆตังตาสังฆตาสังฆั่างนีาเังฆตาสังฆตาสังฆตาังฆตาสัาังฆตาสังับัััง คืไม่เข้าใจมาตลอดเลยนะคะอาจารย์แล้วมาม า, มาคอเนี้ยเข้าใจใน ย, ยอยากจะขอขอถามว่าที่เข้าใจอยามรนถูกไหมะนะคะคืออ่านหนังสือม า, อาศึกษาพุทธภาพมาท่านเลยเราบอกว่าวิญญาณจะเกิดขึ้นได้ก็คือจะต้องตาเห็นรูปก็จะเกิดวิญญาณตาก็เ ข, ข, ข้าใจมาเรื่อยตาหูจมูกร่างกายแล้วพอมาถึงใจท่านเลบอกว่าวิญญาัณใจก็ไม่เข้าใจเพราะว่า ก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งมาเข้าคอร์สในสถาบันการก็มาเข้าใจว่าอ๋อวิญญาณทางใจก็คือจิตไปไปจับไอที่าเวทไทยค่ะเวทนาจิตวากาสนี่คือเข้าใจถูกแล้วใช่ไหคะใช่แต่ว่าที่อ่านมาเนี่ยคือมันต้องมีสามอย่างสมมุติว่ามีตาไปเห็นรูปแล้วเกิดวิญญาณทางตาออยากจะขอข้อค้าอธิบายกับอาจารย์ว่าไอ มันต้องมีมีสาองค์ประกอบอ่าอ่ตรงนี้ค่ะขอพระอาจารย์พายิจิตก็ต้องมีอะไรอีกน ะ, าะทางใจาทางใ จ, จ<า>ใช่ไหมทางใจผู้เจ้าบอกจะมีมโนะนะแล้วมีธรรมลมแล้วก็มีมโนวิญญาณตรงเนี้ยยากหน่อยนะคนจะเข้าใจยาก <c oughs> ก็คืออันนี้จะเห็นประโยชน์ว่าทำไมผู้เจ้ามีหลายชื่อ เพราะว่าบางอย่างมั น, มนทับซ้อนกันเพราะฉะนั้นการรับรู้ธรรมลมได้ครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องมีตัวมโนก่อนก็คือใจแล้วก็มีธรรมลมนมามธรรมที่มันจะเข้าไปเกนะาะขณะที่ใจเนี่ยทำงานปั๊บเนี่ยก็จะเรียกว่ามโนวิญญาณถ้ามันอยู่เฉยๆมันยังไม่มีการรับรู้อะไร แต่พอมันมีการกระทบกับธรมรมารลมปับ๊บมโนวิญญาณเกิดขึ้นนะนั้นก็เป็นสามองค์ประกอบอกเหมือนกันนะมีตัวธาตุนั้นและธาตุนั้นทำงานคือมโนวิญญาณและมันไปทำงานกับธรมรมารลมเห็นไหมวินใจนะธรมรมารลพอใจมาปั๊บธรมารลมเป็นมโนวิญญาณวนะิญญาณทางใจการรับรู้เกิดขึ้น กรรมลมคืออะไรครับก็เวทนาสัญญาสังขารเรียกกรรครับหมดยังไม่มาที่คําถามนะครับพอดีก็ที่เราได้คุยกันคําถามก็จะจะได้หลายคําถามเหมือนกันนะครับก็จะถานนะครับในเรื่องเของว่าการที่จะถึงตรงนีมุธก็ต้องใช้มักแปดนะครับใช่ที่ใดที่ไม่มีการเจริญมักแปดก็ไม่มีพระอรหันต์ใช่ถูกต้องนะครับ แล้วก็ถามว่าเรื่องของความว่างแล้วก็นิทานก็อธิบายแล้วนะครับ อ, อั น, นี้มาถึงเรื่องของอยืนอยู่ในที่พระญา บ, บุคคลนะครับถามเรื่องท่านิีถามพระอาจารย์มหาบัวที่ได้ประกาศว่าตอนลูกเป็นพระอาหารหันต์แล้วต่อห น, น้าผู้ที่มาฟังธรรมนั้นจะถูกต้องตามพุทธวจนะหรือไม่อครับก็เป็นอย่างไ้ครับอ ปกติเนี่ยผู้เจ้าก็จะห้ามาจะมีข้ออบัตปรปจิตตีว่าถ้าโกรธคุณวิเศษที่ไม่มีในตนเนี่ยแอดที่มีในตนจริงถูกปรับบัติปฏิตทีที่ไม่มีในตนเนี่ยเป็นอบัติประชิกนะที่มีในตนจริงถ้าบอกกับพระบอกกับอุปสัมคบันฑ์คือนักบวช ด้วยกันไม่มีอบัตบอกกับผู้ที่ต่ากว่านักบวดมีอบัตปฏิทีสมมุติว่าอ่ะสม ต, ตามมหาบวัวบอกกับอนุปสัมพันธ์เป็นอาบัตปฏิทีอ่ะปรับอบัติปฏิทีท่านท่านบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านก็ใช้สติวินยัยวิธีปรบอบัติพระอรหันต์ก็คือใช้สติวินยัยพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์ไม่มีความผิดก็คือผิดแต่ไม่ผิดน ะ, ะเพราะฉะนั้นเท่ากับพระอรหันต์เนี่ยทำความผิดก็คือไม่ผิด เพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยไม่ได้เป็นตัวท่านของท่านแล้วมันเป็นระบบของพรรษาที่มันเดินไปตามเหตุปัจจัยของมันนั่นเองอีกกรณีหนึ่งผู้เจ้าบอกว่าถ้ามีพิสูตรูปใดรูปหนึ่งนะมาประกาศตนว่าเป็นฆราห์ผู้เจ้าบอกเคยอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านรับรองก็ไม่ได้คัดค้านก็ไม่ได้นะให้ถามคำ ถ, ถ, ถามดังกล่อไปนี้มีคำถามที่จะใช้วัดสอบนะ ท่านเห็นเกี่ยวกับมานะอย่างไรอายุนะภายในอายนะภายนอกเกี่ยวกับขันหายย้ายังไงเกี่ยวกับภาษะกันไงพระรานจะตอบมาในแนวนี้แล้วก็ให้เราบอกว่าสาธุสาธุสาธุาธนะเป็นลากของเราแล้วที่ได้พบเพื่อนปรมจารีที่ดีเช่นท่านอยน่างนี้แต่ก็ไม่ได้ฟันธงว่าเขาเป็นพระราหันนะเพราะพระผู้เจ้าบอกว่าไม่มีประมาณเครื่องวัดสอบใดๆไปตรวจสอบความเป็นพระราหันได้เลยนะ เพียงแต่เราจะประเมินได้ว่าเขาเป็นผู้ ป, ปฏิบัติดีมีแนวคิดมีสัมมาทิฏติที่ถูกต้องเกี่ยวกับขันห้าเกี่ยวกับมานณะเกี่ยวกับอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นกรณีที่ไม่มีใครไปตรวจสอบหรือวัดสอบได้นะมีแต่ตัวของตัวเองเท่านั้นที่จะวัดสอบซึ่งทุกเจ้าก็จะมีหลักธรรมเอาไว้เพื่อให้ตัวแต่ละคนนั้นวัดสอบตนเองว่าเป็นพระอรหั หรืออย่างอย่างนี้จากเรากรองฟังไว้นะครับต่ถ้าท่านจริงก็ใช่ใช่แล้วก็ใช่ถ้าเป็นจริงก็คือไม่ไม่มีความก็ไม่มีคว า, า, าแล้วการ<ๆ>ประกาศในครัง้งพุทธกาลก็มีมีทั้งประกาศและไม่ประกาศแต่ถ้าในกรณีไม่ประกาศผู้เจ้าก็จะชมไว้นะว่าอ่าพิสุตั้งหลายให้จําไว้นะนี่เป็นลักษณะการพยากรอาณตผลโดยไม่น้อมเข้ามาในตนอย่างนี้ แต่ถ้าประกาศก็จะไม่มีที่พระเจ้าสรรเสริญก็จะเฉยๆเพราะว่าตําหนิไม่ได้นะก็ไม่รู้จะตําหนิอะไรต่อเ น, นื่องนะครับพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีแต่ท่านเท่านั้นที่ทรงพยากยามได้ว่าใครสําเร็จถึงขั้นไหน <c oughs> หรือสัตบุรุษย่อมเห็นสัตบุรุษ <c oughs> แล้วอย่างนี้ถ้าพระอาจารย์ได้เป็นโสดาบันแล้ว <c oughs> ท่านก็จะเห็นว่าในห้องนี้มีใครเป็นโสดาบันบ้างหรือถ้าใครในห้องนี้ได้เป็นโสดาบันแล้วก็จะมองเห็นว่า เพราะการเป็นสดาบานเหมือนกันอย่างนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่เ <c oughs> ข้าใจผิดอริยบุคคลเนี่ยประเด็นเนี้ยอดูไม่ได้ไม่มีใครดูใครได้ที่จะปันตรงกันได้แต่ระดับของสาตรบรุตรเนี่ยก็คือระดับที่ยังไม่ใช่อที่จะพยากรณ์นในความเป็นอริยบุคคล น, นั้นแค่คนพานีกรรมเป็นเครื่องหมาย บัญญิตมีี่ทมเป็นเครื่องหมายเราพอเห็นเครื่องหมายในระดับหนึ่งของคนดีคนเลวที่พูะเจ้าก็จะบอกไว้าอาสัตรบรุษนะเวลาเขาพูดเขาจะไม่พูดเรื่องไม่ดีคนอื่นนะถ้าถูกถามก็จะหลีเกเลี้ยวลดย่อ น, อนเรื่องไม่ดีตนเองเขาจะพูดใครถามเขาจะพูดให้เยอะเรื่องดีคนอื่นไม่มีใครถามเขาก็จะพูดมีใครถามเ็าจะพูดให้หมดไม่ปกปิดเอาไว้ใช่อ่าแต่เรื่อง ดีของตนเองเนี่ยไม่มีใครถามเขาก็จะไม่พูดมีใครถามเขาก็จะหลีกเลี้ยวลดเดินไม่กล่าวความดีของตนเองโดยละเอียดลักษณะนี้ให้สังเกตว่าเป็นสัตรบรุตรนุ้ยคุณธรรมลักษณะเนี้ยซึ่งเป็นการที่เรียกว่ามีกรรมเป็นเครื่องหมายเนี่ยนะทั้งบัณฑิตและคนพาลผู้ชาก็จะกลับไปเยอะนะเพราะฉะนั้นนี่คือกรอบที่เราพอสังเกตได้ว่าคนเนี้ยนะเป็นคนพาล น, นะเป็นบัณฑิตนะเป็นสัตรบรุตรนะแต่การจะปันตรงเป็นอริบุคคลเนี่ยไม่มีใครทําได้เลย นะนั่นภาษาลิบุตรเนี่ยเจอพระปุณณมัณฑนีบุตรซักถามปัญหาธรรมะกันนะยังไม่กล้าภาษาลิบุตรยังไม่กล้าพันตรงเลยว่าท่านคือพระราหารันท่านที่พระปุณณะมัณฑนีเป็นพระราหันแล้วใช่ไหมอนะแต่ก็บอกแปลว่าโอท่านเนี่ยไม่ธรรมดามีธรรมะที่ตอบได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาพระปุณณะก็บอกว่าคนถามได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันอยากทราบว่าท่านชื่ออะไรก็บอกเราชื่อสาริบุตรท่าน ก, ก็โอ้ดีใจเนี่ยได้ ยินชื่อเสียงของท่านมานานแล้วว่าเป็นอัครสาวกเพื้อนกว่าท่านก็บอกโอ้โหนี่ท่านกําลังคุยกับพระอัครสาวกเพื่อนกว่ลอะเนี่ยก็คือว่าจะมองกันอย่างนี้เหมือนว่ามองเห็นตัวตนตัวตัวกันอย่างเนี้ยแล้วแบบจะเห็ว่าแบบคนที่มีแสงมีอะไรอย่างนี้รูปแบบเหมือนกันนี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพร่จะต้องได้มีการคุยกันต้องได้มีการปุยกันว่าที่จะต้องกับ ก็จะเข้าใจกันในระดับที่เรื่องเนี้ยแต่ว่าต้องต้องต้้องจรจถ้าคนมียานอย่างรู้วิธีที่จะใช้ก็คือเขาเนี่ยตรวจดูทั่วโลกท่าท่นแล้วว่าหาตัวคนนี้ไม่เจอเขาก็จะประเมินเนี่ยคนคนนี้ไม่อยู่ในระบบสมมุตินี่คือวิธีประเมินอีกอันหนึ่งใช่ไหมแต่เขาจะมองไม่เห็นวีมูทหรอจะอย่างนี้แต่ละเออวมันหาตัวแล้วไง กรมก็ไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็ไม่ใช่อันนี้ไม่อยู่ในระบบสมมติเน่ยมันต้องเป็นพระลานแน่นอนมีี่แน่มีคนเป็นจัดจางครับก็คงคงพอสมควรเวลาตอนเช้าครับทานผู้ชสุดท้ายครับพระอาจรก็มีนึงมีมีมีเรียกได้ว่าจดหมายกับพระอาจารยว่าขอขอพระอาจารย์ให้กําลังใจผู้ปฏิบัติทีมงานแล้วก็ เจ้าของวันเกิดเราเห็นเรอดีท่านนึงเกิดวันเมื่อวานนะครับแล้วก็ก็อยากให้พระอาจารย์ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติในวันที่หกแล้วจะได้มีพลังใจปฏิบัติต่ออีกสองสาวันที่เหลือนะที่แล้วก็เจ้าของวันเกิดก็จะได้พรอยูด้วยอ่อนไปใส่บาตรก็เจ้าของวันเกิดก็ข อ, ข, อขอให้ใหบรรลุธรรมใว่เนาะแล้วก็ ผู้ปฏิบัติทุกคนก็ปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วก็ได้ความตั้งใจมีปัญหาข้อซักถามอย่างนี้ก็ถือว่าว่าดีมีความก้าหน้านะแล้วก็อย่างเช้านี้ที่คุยกันก็ถือว่าพวกเราได้มีความเข้าใจในเรื่องพิมพ์สมมุติอะไรเนี่ยนะก้าวหน้าขึ้นมากพอสมควมีคนที่สามารถ อธิบายอะไรต่ออะไรได้แล้วก็พูดแล้วเข้าใจเนี่ยแค่นี้ก็โอ้มันเลื่อเบือแล้วน ะ, ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่ง่ายนะถึงบอกว่าแค่ตั้งใจฟังเนี่ยยังยากเลยนะแล้วถ้าไม่เยื่อโสดลงตั้งใจฟังหรือมาตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างที่เราทําเนี่ยโอ้มันยิ่งหาฟังไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ทราบถือว่าที่เรามาทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว และเรากำลังได้สิ่งที่ดีที่สุดคือคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะและความเข้าใจตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอด <c oughs> มันเป็นหนึ่งในอนุสัยเหมือนกันนะซึ่งคุณเจ้าบอกเลยว่ามารแปเนี่ยปฏิบัติแล้วเนี่ยจะให้ผลร้อยเซ็์ไม่มีไม่ให้ผลนะความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำเพราะฉะนั้นทุกขนาที่โยมเดินจงกรมนั่งสมาธิให้ไม่มีผลเนี่ยไม่มีมีผลแน่นอน น้อยหรือมากทั้งนั้นทุกอ น, นุมันจะดับไปความทุกจะดับไปดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทำนะํานี้ได้กําลังใจมากทุกขนาดที่เราปฏิบัติเนี่ยความทุกจะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทํานะเพราะฉะนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติต่อนนะอ่าอย่างนี้ครับคุณหัวใจอาจารย์ทุกคนนรับรับนะครับก็พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าคารวะเป็นทางใาม่พุทธีบรรพชาเป็นโอกาสว่างก้าวันนี้ก็ถือว่าคาววะ คือเราก็จัดการให้เหมือนกับว่า้บที่แก้ไขโบทนะครับก็แก้ไขได้ประทับครับอาจารย์ช่ใช่กว้างจากโอกาสที่ทำอาหารกินแล้วก็ใชโอกาสว่างนี้ให้เอ็นพีใช่ไหมเขาก็คุณผู้จัดก็อเชิญครับชาวนี้เราขอเพิ่มก่อนนะครับคําถามเพิมดีเพิ่มเติมก็เขียนไว้ได้เลยครับอาจารยว่ากราบราชการครับก่าครับ เดี๋ยวมาพบกันตามงขรึ่งนะครับ